ริญญาวาระอนุโลมบุคคลเอกะมูลกระในรยเก้าสอนุบุคคลใดกำหนดรู um ้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิคานุส um ัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัย บุคคลนั้นก็กําหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกามราคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดกําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ที่ฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ ปฏิบุคคลใดกำหนดรู well. ้วิจิตริชานุใัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิตริชานุสัยนั้นอนุบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวราคานุใส่อวิชานุใัยใช่ไหมวิ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 ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยใช่ไหมวิ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 วิไม่ใช่สองอนุบุคคลใดกําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ที่ฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําหนดรู้วิจิกิจชานุัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจชานุัยนั้นอนุ บุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิใช่201อนุบุคคลใดกำหนดรู้ทิฐานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดกำหนดรู้วิจิกริชนุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยใช่ไหมวิใช่202อยสองนุบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกริชนุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกริชนุสัยนั้นปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัย บุคคลนั ď, ้นก็กำหนดรู้วิจิกิจรานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่สอง้อยสามอนุบุคคลใดกำหนดรู้ภาวราคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้อวิชานุสัยใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยใช่ไหมวิใช่เอกระโมลกะะในจบทุกระโมลกะะใน สองอนุบ yeah, so ุคคลใดกําหนดรู้กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้มานานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมาราคานุสัยเป็นต้นนั้นปฏิบุคคลใดกําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดกําหนดรู้กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยและวิจิกริชนุสัยใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏ pues. ิ บ, บุคคลใดกําหนดรู้วิจิกริชนุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกริชนุสัยนั้นอนุ บุคคลใดกำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับการมราคานุสัยเป็นต้นนั้นปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุัยใช่ไหมวิไม่ใช่ทุกขโมลกในจบ เตกโมลกะในสอยห้าอนุบุคคลใดกำหนดรู้กามาราคานุส no no ัยปฏิคานุใสและมานานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุใสและมานานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจชาอนุสัยนั้นอนุบุคคลใดกําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยบุคคลนั e? ้นก <int> ็ก <alive> ําหนดรู้ภาวราคานุสัยอวิชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกําหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยใช่ไหมวิ บุคคลนั้นกําหนดรู ouais. ้เฉพาะมานานุสัยตทกะมูลกะในจบจะตุกะมูลกะในสองร้อนุบุคคลใดกําหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามาราคานุสัย ปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยใช่ไหมวิบุคคนนั้นกำหนดรู้ทิฐานุสัยกำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยแล้วก็กำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้น207อนุบุคคลได้กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัย บุคคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอวิชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นก็กำหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะมานานุสัยปักจกะโมลกะในจบชาปกะโมลกะใน 2 0งรอนุบุคคลใดกําหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัยและภวราคานุสัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้อวิชานุสัยมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกําหนดรู้อวิชานุัยบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัย และภาวะราคานุสัยใช่ไหมวิบุคคลนั้นกำหนดรู้เฉพาะมานานุสัยและภาวะราคานุใสชากะมูลกะในจบอนุรมะโอกาสเอกะมูลกะใน สองอนุบุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยในเวทนาสองในกลามธาตุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็กำหนดรู้การมราคานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู ae, a, ้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้วิจิจิชนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุบุคล <kop os mountain Sh ares> บคลกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็กำหนดรู้กามราคานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็กำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิ บุคคลกำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลกำหนดรู้การมราคานุใสอันเกิดจากธาตุดใดก็กำหนดรู้อวิชานุัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้อวิชานุัสอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ ในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็กำหนดรู้กามราคานุสัย210อนุบุคคลกำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม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 ก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุด ก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลกำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้อวิชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 อนุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ทิฏฐานนุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในทุกขเวทนาบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้มานานุสัย ในเวทนาสองในความมาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็กำหนดรู้มานานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในเวทนาสองในความมาธาตุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่เท่ากำหนดรู้ภาวะราคานุสัย ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยปฏิบุคคลกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดายก็กำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุดก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 บุคคลกำหนดรู้ทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สองอนุบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม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 อนุบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุใัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้อาวิชานุใัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลกำหนดรู้อาวิชานุใัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้วิจิกิจชานุใัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สองอนุบุคคลกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 แล้วก็กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยเอกะมูลกะในจบทุกกะมูลกะในสองอหอนุบุคคลกําหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด ก็กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลกาหนดรู้มานานุสัยและการมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอนุ บุคคลกำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกริชนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้วิจิกริชนุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้วิจิกริชนุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น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 บุคคลกำหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็กําหนดรู้ภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกําหนดรู้ภวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุใดก็กําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลกําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุใด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 บุคคลกำหนดรู <rect pre> ้อวิชานุสัยและกามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้กามาราคานุสัยทุกกะมูลกะในจบเต็กกะมูลกะในสอง้อสิบหอนุบุคคลกำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัย และมานานุสัยอ enfin kind of ันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมรา k a n ุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกาลมาธาตุบุคคลกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยกามราคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยและมานานุสัยอนุ บุคคลกำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้ภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้การมาราคานุสัยฏปฏิค า, าาคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลกำหนดรู้ภวราคานุใสและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม like. ่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้กามาราคานุสัย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 บุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใชนะ่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและมานานุสัยเตึกกะมูลกะในจบจะตุกะมูลกะในสองร้อยสิบเจ็ดอนุบุคคลกำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเะก yes ิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้วิจิขิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มี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 บุคคลกําหนดรู้วิจิกิจฉานุใสกรมราคานุใสมานานุใสและทิฏฐานนุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กาหนดรู้ปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกําหนดรู้วิจิกิจฉานุใสปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุใสและมานานุใสสองยสิบปอนุ บุคคลกำหนดรู้การมาราคานุัสปฏิคานุัสมานานุัสทิฏฐานุัยและวิจิกิจานุใยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้ภาวะราคานุัสอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้ภาวะราคานุัสอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้กามาราคานุัยปฏิคานุัยมานานุัยทิฏฐานุัย และวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้ภวะราคานุใสมานานุสใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่เท็จกำหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอนุบุคคลกำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 และวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้กรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยกรรมราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กาหนดรู้กามาราคานุสัสและมานานุสัยปั้นจ ก, กะมูลกะในจบฉั ก, กะมูลกะในสองร้อยสิบอนุบุคคลกาหนดรู้กามาราคานุสัสปัจคานุสัสมานานุสัสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุใด ก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลกำหนดรู้อวิชานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย วิจิขิชานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในเวทนาสองในกามรธาตุบุคคลกําหนดรู้อวิชานุสัยการมราคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยและภวะราคานุสัยในทุกขเวทนาบุคคลกําหนดรู้อวิชานุสัย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 รวมมาปุขโลกาตเอกะมูลกะในสองยยี่สิบอนุบุคคลใดกำหนดรู้กามราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กรมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บ el, total, so uno, ุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับกรรมราคานุสัยนั้นปฏิบุคคลใดกําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดกำหนดรู้กามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลนั้นกำหนดรู้วิจิกิจานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้การมราคานุสัยและก็กําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับอนุสัยนั้นอนุบุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุค SQL! บคลนั้นก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ปติบุคคลใดกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกำหนดรู้การมาราคานุสัยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 บุคคลนั้นก็กําหนดรู้ปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกโเวทนาบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้ปฏิคานุสัย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 แต่ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในความมรรทในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้มานานุสัยแล้วก็กําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันนั้นอนุบุคคลใดกําหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตธรรมะในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยปฏิบุคคลใดกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 ในทุกขเวทนาบุคคลนั้นกําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในควรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็กําหนดรู้มานานุสัยสองอยยีอนุบุคคลใดกําหนดรู้ที่ฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บ, บ, บ, บคุคคลนั้นก็กําหนดรู้วิจิตริชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบ regulations regulations regulations restrictions restrictions ุคคลใดกําหนดรู uh <ration> <narrative JO neatly> ้วิจิต <abrupt> ริชานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ธิฐานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่สองอยยีอนุบุคคลใดกําหนดรู้วิจิตริชานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ภาวะราคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ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 บุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้วิจิตชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่สองอยอนุบุคคลใดกำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใด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 เอกมูลกะในจบทุกกะโมลกะในสองย2ี่อนุบุคคลใดกำหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุดใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้มานานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้มานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสใยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหม วิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกําหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากาธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลที่8ในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้กามราคานุใสและก็กําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้ปฏิคานุสัย บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้ปฏิคานุสัยแล้วก็กําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับวิจิกิจฉานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยอนุบุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหม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 บุคคลได้กําห well right? นดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิไม่ใช่ทุกกะมูลกะในจบติมทุกะมูลกะในสองย2ี <istem misin? S 1> ่ <Gener mã spells out> อนุบุคคลใดกําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้ทิฐานุสัย วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่แปดในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลนั้นกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกำหนดรู้มานานุสัย แล้วก็กำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมทธาตุบุคคลนั้นกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกำหนดรู้การมราคานุสัยมานานุสัยและก็กำหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่ตั้งอยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจานุสัยนั้น แต่ไม่ใช่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาบุคคลนั้นกําหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นกําหนดรู้ปฏิคานุสัยและก็กําหนดรู้เฉพาะอนุสัยที่อยู่ในที่เดียวกันกับวิจิกิจชานุสัยนั้นแต่ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสและมานานุใสอนุบุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุใสปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุใด บุคคลนั้นก็กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกําหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลนั้นกําหนดรู้เฉพาะมานานุสัยอนุบุคคลใดกําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัย และมา น, นานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอระรหัตมัคในทุกขเวทนา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 จะตระแกรูลกะในสองอย2ี่อนุบุคคลใดกำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยและทิฏฐานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลใดกำหนดรู้วิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กำหนดรู้กามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย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 และวิจิกิจฉานุสัยปัญจะกระโมลกระในจบชากระมูลกะใ น, กกะะในสองอยสามสอนุบุคคลใดกําหนดรู้การมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็กําหนดรู้อาวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นมีไหมวิไม่มีปฏิ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 ปฏจจุคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นกำหนดรู้อวิชานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กำหนดรู้กามราคานุสัยปฏจจคานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุ บุคคลนั้นกาหนดรู้อวิชานุสัยมานานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่กาหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยชากรมุลกะในจบอนุโลมในปริญญาวาระจบ